คนสนใจภาวนานะเยอะเยอะถ้าเรารู้หลักการภาวนาแล้วมันไม่ไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้หลักนะั้นลำบากทุ่มเทกันแทบตายครับก็เหนื่อยไม่ค่อยได้ผลงั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติต้องเรียนก่อนก่อนจะถึงปฏิบัติต้องรู้ปริยัติก่อน แต่การเรียนปริยัติไม่ใช่หมายถึงต้องเรียนให้ได้นักธรรมเอกให้ได้ป ร, ริยัติก้าวให้ได้พุทธศาสตร์บัณฑิตอย่างเงี้ยหรือเรียนอภิธรรมจบทั้งเก้าปริเชษไม่ต้องมากขนาดนั้นก็ได้รู้หลักของสมถากิจปัสสนานี่สาคัญมากเลยแต่หลักสูตรนักธรรมเอกเนี่ยเรื่องสมถาวิปัสสนานะ เสียดายว่าที่เรียนแล้วเราเอามาปฏิบัติไม่ถูกเหมนรู้หลักแล้วไม่รู้จะเริ่มยังไงถ้าเริ่มต้องเริ่มด้วยการมีสติเอาไว้ขาดสติตัวเดียวคุณงามความดีอะไรมันก็ไม่เหลือแล้วสติสําคัญมากเคยได้ยินไหมสติสัมปชัญญะบอกเป็นธรรมที่มีอุปการะมาก สติเป็นสภาวะที่ระลึกรู้ทำหน้าที่ระลึกรู้ถ้าระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปจิตใจก็เป็นคนดีดีแบบอยู่กับโลกอยัางอยากฟังธรรมอยากทาบุญอยากใส่บาตรอยากทำสังคมสงเคราะห์อะไรจิตใจที่เป็นกุศลนนะมันมีสติอัตโนมัตินะ แต่สติอย่างนี้ไม่ข้ามโลกเป็นสติที่จะอยู่กับโลกต้องพัฒนาสติอีชนิดหนึ่งนะสติที่ถ้าสมบูรณ์เต็มที่แล้วท่านจะเรียกว่าสัมมาสติมีคำว่าสัมมาสติแสดงว่ามันต้องมีคำว่ามิจฉาสติด้วยนึออกไหมคนเรียนอภิธรรมบางทีบอกไม่มีหรอกมิจฉาสติสติดีหมด จริงในพระไตรปิฎกนะไปเซิร์ชสิครัว่ามีฌาสติมีเหมือนกันแต่ไม่ใช่สติที่เกิดร่วมกับกุศลนะเกิดร่วมกับกุศลจะเป็นกุศล ท, ทั่วไปไม่ใช่สติรู้รูปนามสติถ้ารู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วๆไปก็เป็นสติธรรมดาแต่สติที่รู้อารมณ์รูปนามอันนี้เป็นสติที่จะใช้เจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาแก่รอบแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพาน เวลาเราจะมาพัฒนาสติชนิดที่รู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามนี่ขึ้นมาเครื่องมือสำคัญในการเดินปัญญากนะ็คือสติตัวหนึ่งสัมมาสมาธิหรือสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิจริงๆแปลว่าความตั้งมั่นพวกเราบางทีมักง่ายเราไปแปลสมาธิว่าสงบนะสมาธิโดยสัแ์แปลว่าความตั้งมั่น ถ้ามีสติความระลึกได้มีสมาธิความตั้งมั่นสองตัวนี้เป็นเครื่องมือตัวสัมญชัญญะเป็นตัวช่วยสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นที่บอกให้เรารู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ สิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เรางั้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็เยอะแต่ไม่ได้สมควรแก่เราทุกอย่างอย่างเวลาพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานทุกสิ่งที่ท่านสอนนั้นมีประโยชน์ทั้งสิ้นะแต่ไม่จําเป็นสําหรับเราต้องเรียนทั้งหมดคนคนหนึ่งเนี่ยต้องการกรรมฐานไม่มากรอกคนละอย่างสองอย่างเท่านั้นเองถ้าทําให้เด่นเดียวจริงจังไปก็จะถึงที่สุดแห่งทุก เงี้ยสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาเบื้องต้ น, นะะที่จะสอนเราที่ที่ใจมันจะฉลาดขึ้นมารู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราพอรู้สิ่งที่สมควรแก่เราแล้วก็ไม่หลงลืมมันไปภาคเพียรปฏิบัติไปไม่หลงไม่ลืมมันไป นี่เป็นสัมมาชัญญาตัวที่สตัวที่หนึ่งอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระตัวที่สองอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ตัวที่สอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราอันที่สี่เนี่ยไม่หลงลืมกิจกิจกรรมที่สมควรแก่เราอย่างเรารู้ว่าหลงโลกไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระหลงโลกไม่มีสาระธรรมะมีสาระ ธรรมะมีเยอะแยะธรรมะอะไรที่จะมีประโยชน์เพื่อความพ้นทุกข์ของเราหรือถ้าต้องการความสงบธรรมะอันไหนที่ใช้เพื่อความสงบต้องการร่ารวยธรรมะอันไหนจะทำให้ร่ารวยนะมีทั้งนั้นเลยนะธรรมะหรือต้องการปัญญาธรรมะชนิดไหนทำให้เกิดปัญญานะก็ต้องประโยชน์สมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการอย่าสงสมว่าเราต้องการปัญญา หรือต้องการความสงบเนี่ย <Yeah. S 1> สิ่งที่สมควรแก่เราที่ทําให้เกิดความสงบนะแต่ละคนต้องการไม่มากแล้วบางคนแค่พุดโถก็สงบบางคนแค่ลมหายใจก็สงบไม่ต้องทํากรรมฐานสี่สิบกองไม่จําเป็นเนี่ยการที่รู้จักเลือกเฟ้นธรร ม, มะออกมานะ <Yeah. S 1> แล้วก็มาลงมือทําไม่หลงลืมไปรู้ว่าลมหายใจเหมาะกับเราแล้วก็หายใจไปเรื่อยเลยไม่ลืมลมหายใจไป คนไทยมาแปลสัมปชัญญะว่าอะไรนะความรู้สึกตัวมะมุ่งตัวหลังเนี่ยจริงแปลไม่ดีแปลได้ไม่ดีคำนี้สติความระลึกได้เนี่ยแปลได้ดีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวแปลแปลละภาษาสมัยเรานี้สับสนแล้วแค่คิดว่ารู้สึกรู้ตัวก็ละตัวกันรู้ตัวนี่คือจิตที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นมีสติระลึกรู้ ประกอบด้วยสภาวะธรรมจานวนมากที่ว่ารู้ตัวรู้ตัวนะไม่ใช่มีสัมผัสัญญาอย่างเดียวประกอบด้วยธรรมะจํานวนมากมายเนะี่ยนี่สมมติเรารู้แล้วนะว่าอะไรสมควรแก่เราเราก็ลงมือทําไปไม่ทิ้งมันไปเนะงั้นตัวสัมผชัญญาจะคล้า ย, ลายๆลายแมนตีกรอบให้เราเดินว่าเดินทางนี้นะเดินทางนี้นะ นี่พอเรารู้แล้วว่าอย่างเราจะเจริญปัญญาเราควรจะรู้กายการรู้กายสมควรแก่เราเพราะว่าจริตนิสัยของเราเหมาะกับการดูกายเป็นพวกตันหารจริตเนี่ยการดูกายเป็นประโยชน์การดูกายเป็นสาระการดูกายสมควรแก่เราก็ไม่ทิ้งการดูกายคอยรู้เรื่อยๆไม่ใช่ดูบ้างทิ้งบ้างอย่างนั้นจิตใจไม่มีสัมปชัญญะข้อสุดท้ายเนละ หลงไปหลงลืมไปโมหะแทรกทําให้ลืมการรู้กายไปนะนี่พอเรารู้ว่าเราต้องรู้กายนะก็มีสติระลึกอยู่ในกายนะมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูกายนะอาศัยสติกับสมาธิเป็นเครื่องมือหลักนะอาศัยสัมผชัญญานะเหมือนลายแมนควบคุมไม่ให้ออกนอกกรอบควรจะดูกายก็ดูให้มากนะไม่ใช่มัวแต่ไปดูหนัง หรือดูอินเทนอร์เน็ตอะไรย่างเงี้ยนั่นดูกายให้มากเหมาะกับเราก็ดูบ่อยๆมีสติระลึกอยู่ในกายมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดนะูคนไหนควรดูเวทนานะก็ไม่หลงลืมเวทนาคอยดูเวทนาบ่อยๆไม่หลงลืมเวทนาไปเรียกว่ามีสัมปชัญญะเวทนาอะไรปรากฏขึ้นมารู้ทันไปเรื่อยเรียกว่ามีสติ ระหว่างที่รู้ทันเวทนานะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นแค่คนดูเวทนาไม่ว่าจิตมีสมาธิเนฉะนั้นธรรมะมันทำงานช่วยกันหลายตัวเมืนะ่อก่อนหลวงพ่อเคยนึกนะว่าโพระพุทธเจ้าท่านสู้กิเลสนะตามลำพังพระองค์องค์งเดียวความจริงท่านมีลูกน้องนะกิเลสจริงจริงมีแปดมีแปด ย่อลงมาเป็นสามนะนะย่อลงมาเป็นสามจิตที่มีกิเลสมีแปดตัวเองตัวกิเลสมีสามตัวนะตัวกุศลน่ยนับไม่ท้วนเลยนะตัวกุศลเนี่ยเยอะแยะเลยไงกุศลเนี่ยมีองค์ธรรมนะเยอะกว่ากิเลสนะเคยได้ยินโพธิปักขียธรรมไหมโพธิปักเอาแค่อริยมรตมีองค์แปดเนะี่ย ก็เยอะกว่าราคาโทรศัพท์โมหะแล้วเห็นไหมกูลนะเนี่พวกมากนะแต่ไม่ค่อยสามัคคีกัน <laughs> ต่างคนต่างอยู่ศีลก็อยู่ส่วนศีลสมาธิอยู่ส่วนสมาธิปัญญาอยู่ส่วนปัญญาเวลากิเลสมาเนี่ยสู้มันไม่ไหวแต่เวลาภาวนาไปเรื่อยในะตอนที่บรรลุมรรคผลเลยเนี่ยกูสนทั้งหลายมันจะรวมพลังเข้าเป็นหนึ่งนะ <laughs> มันทําลายกิเลส งั้นการภาวนานะเราค่อยๆพัฒนากุศลตัวหลักๆเบื้องต้นเลยมาสำรวจตัวเองว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเรากรรมฐานอะไรควรกับตัวเราแต่ละคนไม่เหมือนกันสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลนะสบายมากเลยหลวงปู่ดูลมีบารมีที่คนอื่นไม่มีอยู่ชนิดหนึ่ง บางทีองค์อื่นมีบารมีแล้วหลวงปู่ดูลไม่มีก็มีนะแต่ละองค์บารมีไม่เหมือนกันอย่างหลวงปู่เทศนะมีเมตตาบารมีมากนหลวงปู่ดูลท่านมีปัญญาบารมีมากคนละแบบกันไปเรียนกับหลวงปู่ดูลเนะียไม่ต้องถามหรอกไปบอกท่านเท่านั้นว่าสนใจปฏิบัติหรือทังไม่บอกนะถ้าเราสนใจปฏิบัติไปนั่งใกล้ๆท่านเดี๋ยวท่านก็บอกให้ เวลาท่านบอกเนี่ยคำไหนก็คือคำนั้นหลวงปู่ดูลพูดไม่เยอะหรอกสอนกรรมฐานของคนคนหนึ่งนะไม่กี่ประโยคหรอกอย่างท่านสอนหลวงพ่อนะสอนง่ายๆเลยท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองหน้าตาเราคงจะเป็นนักอ่านหนังสือมั้งท่านบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้แหละ สยนคาว่าอ่านจิตตนเองมั้ยบางคนท่านก็สอนให้ดูกายดูผมเส้นเดียวอย่างนี่ก็มีนะบางองค์ก็ท่านก็สอนให้ดูกระดูกนบางองค์ท่านคงดูว่าถ้าไปแตกหักกันตอนจะตายอะไรเงี้ยท่านก็สอนเรื่องตกกระไดพลอยโจนสอนแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนี่เราไม่รู้มีครูบาอาจารย์ชนิดนั้นแล้วที่จะมาบอกชี้ขาดชี้เป็นชี้ตายให้เรานะ ว่าเธอไปทำอย่างนี้สิเธอไปทาอย่างนี้สิหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ที่สองเลยที่ท่านมีหยานทัศนาชัดๆตัวนี้นะงั้นเราทำไงเราไม่มีครูบาอาจารย์ชนิดนั้นแล้วเราก็ต้องทดลองดูแต่ไม่ใช่ทดลองสเปสสปะเรามาสำรวจใจของเราก่อนอย่างพวกที่มาเข้าคอร์สเลยเนียสำรวจใจของเราว่าจิตใจของเราเป็นแบบไหน จิตใจของเราเป็นพวกราคามาระมากโท่สามารหรือโมหะมากอะไรเงี้ยชอบพิจณาใช้เหตุใช้ผลมากหรือว่าเชื่อ ง, องมงายง่ายนะอะไรเงี้ยจิตใจเราเป็นแบบไหนมาสำรวจสำรวจแล้วเราก็จะรู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเรานะในการทำสมถกรรมฐานราคาจรระจริตโท่ศาจริตโมหะจริตพุทธิจริตวิตกจริต ศัทธาจริตวิตกจริตเนีช่างฟุ้งคิ ด, คดมากคิดกังวลวุ่นวายคิดไม่ตกชื่อวิตกนะคิดไม่ตกคิดไปเรื่อยจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันตัวจริตนิสัยนั่นแหละเป็นตัวกําหนดว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรงั้นอย่างเวลาพวกเรามาเรียนกรรมฐานสิ่งแรกที่พวกเราควรสํารวจนะก็คือจริตนิสัยของเราเป็นยังไง ราคะมากโท่สามารถโมหามากนะหรือศรัทธามากหรือชอบใช้เหตุผลหรือชอบคิดฟุง้งซ่านพุทธิจริตเนี่ยชอบใช้คิดเหตุผลนะมีตกจิจลิตเนี่ยชอบคิดฟุง้งสเปสสปะสํารวจตัวเองดูแล้วก็เลือกสมถะที่เหมาะกับตัวเราเองนะอย่างคนไหนราคะมากนะกรรมฐานที่จะทําให้ใจเราสงบจากราคะ ก็อย่างพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาอะไรพวกนี้นั่นะทำให้สงบจากราคาง่ายคนไหนขี้โมโหก็จเจริญเมตตาไว้แผ่เมตตาบ่อยๆแผ่ให้ได้วันละร้อยครั้งนะใจเย็นแน่นอนเลยเพราะตอนแผ่เมตตาไม่ได้ทะเลาะ ก, กับใครนะจเจริญเมตตาไปเรื่อยใจก็สงบใจก็สบายใจมีความสุขคนไหนฟุ้งซ่านมากนะอาจจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้ เวลาฟุ้งซ่านไปก็หนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนที่จะให้คิดสเปสสปาก็ให้มันคิดพุดโทโธคิดมันอันเดียวแหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอจิตหนีไปที่อื่นนัรู้ทันมันก็ไม่หนีเมื่อกลับมาพุโทโธหรือรู้ลมหายใจหรือรู้ลมหายใจประกอบกับพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยรู้ทันจิตที่มันฟุ้งไปนีพวกที่ฟุ้งมาก พวกราคะมากก็ดูปฏิกูลดูอาสุภาพนะพวกโทสามารถก็เจริญเมตตาหรือนะพวกโมหามากก็มาพุโทโธมารู้ลมหายใจอะไรแบบนี้ก็ได้พวกที่มีศรัทธามากนะอาจจะอ่านพุทธประวัติอ่านประวัติทศสาวกใครเคยอ่านไหมเวลาฟุงฟ้งๆอ่านแล้วมีความสุขมีความสงบนึกออกไหมเนะี่ยต้องคนมีศรัทธานะ ถ้าเป็นพวกไม่มีศรัทธาไปอ่านจริงเหรออ่านไปจริงเหรอจิตไม่สงบนะยิ่งฟุง้งกว่าเก่าอีกไม่อ่านซะยังจะได้บุญมากกว่าเนื้อดูจิตตตัวเองนะ้าทําอะไรแล้วสงบก็เอาอันนั้นแหละไปสํารวจตัวเองกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราไปสํารวจเอาถ้าทําเพื่อความสงบก็ดูจากจิตตหกอย่างราคะจิตติดโทสะจิติดโมหะจิตติ พุทธที่เฉลิตมีตกเฉิตศ ร, รัทธาเฉลิฐพุทธที่เฉลิตเนี่ยพวกสมบูรณ์ด้วยเหตุผลต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุผลคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลพวกวิตกเฉิตเนี่ยพวกคิดสเปสสปะพวกศ ร, รัทธาจรลิตเนี่ยพวกเชื่อง่ายน้อมไปมีไหมใครบางคนไปเจอครูบาอาจารย์นั่งน้ำตาไหลพลื้มปมพวกศรัทธามากศรัทธามากก็ปัญญาน้อยเป็นธรรมชาติอย่างนั้น รทา ม, มากปัญญาเขาจะน้อยเพราะไม่ใช่เหตุใช้ผลแนละ้วสมัยก่อนหลวงพ่อไปอยู่กรบลงปุ่เทศนะตอนโยมมาหานะมีโยมอยู่คนหนึ่งเจอทุกปีเลยถึงปีหนึ่งแกจะมามาเจอหลวงปูนะ่วก็นั่งน้ำตาไหลไหลไหลไหลเราก็ดูเขาเป็นอะไรเ้าว่าอ๋อศรัทธาศรัทธามีปีติเกิดปีติอีกปีหนึ่งมาอีกแล้วก็น้ำตาไหลอ ย, อยู่นะันนะ ผ่านมาหลายปีก็ยังน้ำตาไหลยอยู่นั่นนะไม่พัฒนาเลยเนี่ยธรรมะของแกอยู่กับที่ไม่พัฒนานี่พวกศรัทธามากแนละ้วครูบาอาจารย์เทศอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยหมดแต่ปลืม้มใครเป็นบ้างเวลาฟังหลวงพ่อเทศมาเจอหลวงพ่อแนะ้วอุตส่าหตะเกียปตะกายมาตั้งไกลนะเจอหน้าหลวงพ่อแล้วปลืม้มฟังไม่รู้เรื่องเลยหลวงพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้นะนี่ อย่างนี้มันศรัทธาเยอะไปสำรวจตัวเองนะสำรวจรจริตจริตของเรานั่นแหละเป็นตัวกําหนดว่าเราจะทํากรรมฐานอะไรแล้วนะจริตนี้มีสองกลุ่มจริตเพื่อการทําสมถกรรมฐานกับจริตเพื่อการทําวิปัสสนากรมามกรมฐานสมถกรรมฐานตามไปเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีความสงบมีแรงนะจิตดีเป็นกุศล วิปัสนากรรมฐานทำไปเพื่อให้เห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจของธาตุขันธ์อายตนะฟังแล้วเหมือนเยอะนะความจริงก็คือกายกับใจเรานะย่อๆลงมารูปประธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นเราในวิปัสสนานั้นเรียนไปเพื่อให้เห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมความจริงของรูปปธรรมนามธรรมคือไตรลักษณ์งั้นถ้าเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลาสุภาษไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะ นิพั ส, สนากรรมัฐานเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ทําไปเพื่อให้เห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือจะบรรลุมรรคผลเพราะจิตปล่อยวางความยึดถือยึดถือในรูปในนามนั่นแหละส่วนสมมัากรรมฐานทําไปเพื่อความสุขความสงบความดีเพื่อให้มีเรี่ยวมีแรงจะได้มีกําลังทํานิพพัสนาจริตที่จะมากําหนดว่าจะใช้อารมณ์อะไรทำสมมัมีหกจริต ราคะโทสะโมหะสัทธาวิตกพุทธิจริตหกอั น, นไปดูเอาหลวงพ่อไม่ลงรายละเอียดนะในหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเขียนไว้ก็มีไปหาอานน่านก็แล้วกันว่าแต่ละจริตนั้นใช้กรรมฐานอะไระหลักๆ ก, ก็ราคะโทสะโมหะเนี่ยดูเป็นตัวหลักเป็นจริตหลักๆตัวที่เหลือนั้นเป็นตัวประกอบเข้ามา สำหรับจริตที่ใช้ทํำวิปัสสนาไม่มากไม่ถึงหจริตจริตที่ใช้ทํำวิปัสสนามีสองจริตเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่เรามีอีกจริตนะ ด, ดัดจริตดัดจริตวิปัสสนาห้ามดัดจริตก็รู้ซื้อรู้ไว้ซื้อแต่ละคนร้ายจะตายไปรู้สึกไหมแล้วดัดจริตแกล้งทําเป็นคนดีนึกออกไหม จริงๆนางนางมารร้ายเจ็ดชั่วโคตรเลยแบบะนะั้นแะแต่เวลาเจอคนอื่นแล้วทำดีนี่พวกดัดจริตนะแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีแล้วเนี่ยวันๆฉันเป็นกุศลอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องภาวนาแล้วนะฉันดีอยู่แล้วไม่ต้องภาวนาแล้วอะไรๆก็รู้หมดแล้วอย่างนี้พัฒนาไม่ได้งั้นเราไม่ดัดจริตนะ ต, นะตัวจริงของเราเป็นไงรู้ทันเข้าไปเลยอย่าไปปลอม อย่ามาปลอมตัวเมื่อก่อนหลบพ่อสอนเรื่องหมูกระดาษนึกออกไหมหมูกระดาษ ก, ก็คือดัดจริตนั่นแหละแต่พูดให้ภาษามันสู่ภาพหน่อยเป็นเพเปอร์มาเช่ถ้าพูดกับคนสมัยใหม่ก็เพเปอร์มาเช่ใช่ไห ม, มน่าจะใช่นะจำเข้ามาจกิง <laughs> งั้นเราดูนะตัวจริงของเราเป็นไงธาตุแท้ของเราเป็นไงอย่าหลอกตัวเองนะ แล้วเราจะรู้ว่าจริตเราเป็นยังไงมันเป็นยังไงวันวันหนึ่งราคะเกิดบ่อยเลยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากพวกราคาจริตอีกพวกหนึ่งนะเจออะไรก็โมโหเจออะไรก็โมโหนะอะไรก็โมโหไปหมดเห็นหน้าคนนี้ก็โมโหเห็นคนน้องก็โมโหเห็นหมาเห็นแมวก็โกรธนะแดดส่องตาก็โกรธโกรธได้ทุกเรื่องอะ่ะแมงวันมาบินมาใกล้ใกลก็โมโหแล้วทาใครเอาแมงวันเข้ามาในรถมั้ยมีไหม ใจเคิเป็นโมโหไหมบางวันเข้ามาในรถนพวกนี้ น, นะขี้โมโหเนี่ยดูอย่างเนี้ย ด, ดูจริงๆของเราไม่ต้องดัดจริตนะแมงวันมาเกลียดมันจะตายแล้วอืสัตว์ร่วมโรคไม่เป็นไร <c oughs> มึงอย่าเผลอนะ <c oughs> ไอ้อย่างนั้นนะ่ะจริตชนิดดัดจริตนะไม่เอาซื่อๆรู้ตัวเองเลยว่าจริตเป็นไงนะแล้วก็มาเลือกอารมณ์จลิตของสมถะมีหก จริตของพิพัฒนาสองเท่านั้นนะคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามทิฏฐิจริตเนี่ยพวกคิดมากนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นใครเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นบ้างในห้องนี้มีไหมนี่อย่างนี้เรียกว่าพวกทิฏฐิจริตใครวั น, ว, นวันหนึ่งก็เสริมสวยอย่างเดียวเลยเดินไปไหน ดูแต่ของสวยของงามมีไหมยกมือใครมีทั้งสองอย่างยกมือที่จริงทุกคนมีทั้งสองอย่างทุกคนเป็นจริตผสมผสานไม่ใช่ไม่มีเลยอย่างราค่าจริตโทรศัพจริตโมหจริตใช่มีจริงทุกคนก็ปนๆกันเพียงแต่ตัวใดเด่นตัวใดเด่นก็ถือว่าเป็นแบบนั้นเรามาสำรวจตัวเราเองว่าตัวไหนเด่นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมากหรือรักสวยรักงามมาก รักความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างต้องเนีบ๊บต้องระต้องละเอียดต้องเนีบ๊บนี่เป็นจริตห้ามไม่ได้หรอกเป็นจริตนะบางคนก็ง่ายๆเราดูตัวเองเรารักสุขรักสบายมากรักสวยรักงามมากนะหรือเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือในความคิดความเห็นของเรามาก ถ้าหากเราเป็นพวกคอยส่องกระจกวันละห ล, หลายสิบครั้งนะพวกตันหาจริตดูไว้เลยไปไหนดูแต่ว่าเขามีอะไรขายเนะีนี่พวกตันหาจริตนะพวกเนี้ยถ้าวันวันะหมกมุ่นใช้เวลาส่วนใหญ่กับเรื่องพวกนี้นะก็รู้ลนะว่าเป็นพวกตันหาจริตวันหนึ่งก็คอยส่องเรื่อยเนี่ยเติบนั้นนิดหนึ่งเดี๋ยวก็หยิบ ม, มาส่องอุ้ยเติบตรงนี้หน่อยอ <laughs> อย่างเนี้ยชัว ร, ร์พวกตันหาจริตเนี่ยกรรมฐานที nel, <S <S <Suzuki> <S ah, right? ่เหมาะนะคือกายและเวทนาร่างกายเนี่ยมันจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามร่างกายเนี่ยสอนว่าไม่สวยไม่งามเวทนาจะสอนว่าไม่สุขไม่สบายอย่างพระนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวเห็นนะเดี๋ยวมันก็ไม่สุขไม่สบายแล้วมันเมื่อยนอนอยู่เดี๋ยวก็เห็นแล้วมันไม่สุขไม่สบายมันเมื่อย มันจะดัดนิสัยที่รักสวยรักงามรักสุขรักสบายกายและเวทนาเนเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกช่างคิดช่างวิเคราะห์วิจัยวิจารณวิภาคนะสารพัดวนะิพวกนี้เหมาะกับการดูจิตแล้วก็เจริญธรรมานุปัสสนาจิตตาอนุปัสสนาจะเห็นจิตของเราเนี่ยบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศล เดี๋ยวก็ราคาเดี๋ยวก็ไม่มีราคาเดี๋ยวก็โทส์เดี๋ยวก็ไม่มีโทรศส์เห็นว่าจิตเราเองยังบังคับไม่ได้แล้วจะไปบังคับใจคนอื่นเขาได้อย่างไงมันตัดนี้ใส่ตรงนี้งั้นดูจิตมากๆนะจะลดความยึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองกระทั่งจิตเราเรายังบังคับไม่ได้ไปบังคับคนอื่นเขาให้ได้อย่างใจได้อย่างไงเราจะเห็นลึกซึ้งเข้าไปนะเซลล์เกิดขึ้นเมื่อไหรน่าเกลียดน่าเกลียดในบรรดากิเลสทั้งหลายนะถ้าเรารู้เราเห็นนีเราจะไม่รู้สึกน่าเกลียดเท่ากับกูเก่งกูเก่ง ตัวมันพองๆนะใครเคยเห็นมั้งตัวมันพองๆโป่งๆนะทุเล็มากที่สุดเลยในเวลานักเลีทั้งหลายนะเห็นแล้วอายนะะเห็นแล้วจะอายเนี่ยหัดดูจิตไปในะพวกยึดถือในความคิดความเห็นนะยึดถือมากนะั้นดูไปเลยตอนที่ยึดถือความคิดความเห็นมากนะั้นกูนี่ตัวเบลอเลยน่ากกเกลียดที่สุดเลยเนี่ยมันจะค่อยๆล้างกิเลดตัวนี้นะต่อไปก็พูดภาษามนุษย์อื่นก็รู้เรื่องนะ้รู้จักฟังคนอื่นเข้ามากขึ้นอนะไรอย่างนี้ หรือจเจริญธรรมานุปัสสนาเห็นกระบวนการเห็นแต่รูปกับนามธรรมานุปัสสนาดูทั้งรูปทั้งนามเป็นกระบวนการอย่างบางทีก็รู้นิวรนิวรเกิดจากอะไรบางทีกินมากนิวรณก็เกิด ห, น, หนึกออกไหมง่วงนอนเหน็ดเหนื่อยนิวรก็เกิดหมมันสัมพันธ์กันนะระหว่างกายกับใจระหว่างรูปกับนามแล้วคอยรู้โพชฌง มีเรื่องโพดชงมีเรื่องขันขันห้าเห็นขันห้ามันทำงานขันห้ามันแยกออกไปแล้วเห็นมันทำงานเองทั้งวันเนี่ยขึ้นทำมานุปัสนาแล้วคนไหนเห็นขันห้าทำงานบ้างมีไหมรู้อยู่ที่ขันห้าเห็นขันห้าทำงานนั่นแหละทำมานุปัสนาเห็นได้ขันไม่มีเราใครเคยเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่ปรุงความเป็นตัวเป็นตนปรุงความทุกข์ อันนั้นปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละอริยสัจนะแต่ว่าทุกคนนะไม่ว่าภานาอะไรเนี่ยมันจะมาลงที่อริยสัจสุดท้ายลงที่อริยสัจทุกค น, นมาแตกหักถ้าไม่เห็นอริยสัจเนี่ยข้ามภพข้ามชาติเป็นพระราหันไม่ได้พระราหันเห็นอริยสัจถ้าใครก็ถามเราพระราหันเห็นอะไรจะตอบว่าไงก็เห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูเห็นไ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ <Yeah. S 1> ก็รู้อันนี้เหมือนคนทั่วๆไปนะแต่ท่านมีปัญญาเห็นอริยสัจ ต, นะต่างกับคนทั่วไปคนทั่วไปไม่มีปัญญาเห็นอริยสัจไม่แจ้ง mm hmm. เห็นก็ไม่แจ้ง mm hmm. เห็นนิดๆหน่อยๆนะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ก็เรามาดูนะท่า น, นิสัยเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะกรรมฐานที่เหมาะคือการดูจิตนะดูไปสักพักหนึ่งอาจจะขึ้นมาทำมานุปัสสนาดูธรรม เห็นขันมันทำงานเห็นกระบวนการทำงานของจิตเห็นการปลุงนิวรณขึ้นมาอะไรเงี้ยสารพัดมีดนานาชนิดถ้าดูนั้นสำรวจตัวเองนะวันแรกนี้มาเข้าคอร์สอย่างน้อยต้องรู้ไปสำรวจมานะให้เวลาสำรวจตอนไปกินข้าวนี้แหละนะให้มาสำรวจตัวเองว่าจริต เพื่อการทําสมถะของเราเป็นพวกไหนราคะจริตโทสะจริตหรือโมหจริตนะเอาสามัญก็พอหลักๆนี่เป็นจริตหลักสามัญนะหลังพุทธิจริตศรัทธาจริตมิตรกจริตเป็นจริตรองนะตัวหลักอ่ะสามตัวที่มีกิเลสแล้วเราจะรู้เราจะตอบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามหลวงปู่ดูละว่าจะใช้กรรมฐานอะไรแล้วจิตสงบแล้วก็สํารวจนะ จริตเพื่อการทำวิปัสนาเราเป็นพวกตัณหาจริตรักสวยรักงามรักสุกรักสบายหรือเป็นพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นจริงๆทุกคนผสมผสานแต่ไปสังเกตว่าอะไรเด่นกว่าอะไรถ้าคนไหนตัณหาจริตแรงเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะคือการรู้กายและเวทนาคนไหนทิฏฐิจริตแรงกรรมฐานที่เหมาะคือจิตตานุปัสสนากรรมฐานนุปัสสนาแต่ถ้าอินทรียยังไม่แก่กล้านะ กายเนี่ยง่ายกว่าเวทนานจิตง่ายกว่าธรรมมีของดูน้อยกว่างั้นถ้ายินเสียไม่แก่กล้าคนไหนเป็นตันหานจริตก็ดูกายไปเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายคู่ร่างกายเหยียดจะดูไปได้จะเห็นแต่ของไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ดูจิตตัวเองไป เดี up, ๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายไปเรื่อยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไม่หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ดูไปเรื่อยเนี่กรรมฐานที่ง่ายๆนะง่ายที่สุดแล้วล่ะไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะในตํารามีนะถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็ขึ้นไปเวทนานะพวกพวกตัณหาจริตก็ขึ้นไปถึงเวทนาพวกทิฏฐิจริตก็ขึ้นไปทำมานุปัสสนา แต่สุดท้ายมาลงที่ธรรมานุปัสสนาตรงที่อริยสัจเนี่ยลงทุกคนเหมือนกันหมดเนละสุดท้ายไปที่เดียวกันเดินคนละทางนะคนหลายคนทางอีสานบอกคนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันหรอกทางใครทางมันถ้าทางของกูเท่านั้นถูกนีพวกนี้ภาวนาไม่เป็นหรอกอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ